ออกเดินทางต่อไปเพราะโลกนี้เป็นเหมือนกับสนามบินที่เรามาเปลี่ยนเครื่องเรายังเดินทางไปไม่ถึงบ้านเราเราจึงต้องจอดแวะตามสนามบินต่างๆเพื่อที่จะได้เปลี่ยนเครื่องแล้วเดินทางไปให้ถึงจุดหมายปลายทางในที่สุด การาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละภพแต่ละชาตินี้เป็นเหมือนกับการมาเตรียมตัวเตรียมสบียงเตรียมเงินเตรียมทองเตรียมเอกสารต่างๆเหมือนกับเวลาที่เราจะต้องเดินทางไปต่างประเทศเราต้องจองตั๋วเครื่องบินจองที่พักอจองต้องทาหนังสือเดินทางทำวีซ่า ทำอะไรต่างๆหลายอย่างก่อนที่เราจะออกเดินทางไปได้อย่างสะดวกสบายถ้าเราขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งการเดินทางก็อาจจะเป็นไปได้ยากือเป็นไปอย่างลำบากคือแทนที่จะขึ้นเครื่องไปอาจจะต้องเดินไปเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมการเอาไว้ก่อนนั่นเองถ้าเราอยากจะขึ้นเครื่อง เราก็ต้องซื้อตัว๋วจองตั๋วเครื่องบินทำหนังสือเดินทางทำวีซ่าฉีดยาทำอะไรต่างๆแลกเปลี่ยนเงินตราเราต้องเปลี่ยนเงินของประเทศนี้เพื่อไปใช้เงินของประเทศที่เราจะเดินทางต่อไปถ้าเราไม่เตรียมการเหล่านี้พอถึงเวลาที่เราจะต้องออกเดินทางไป เราก็จะไปอย่างลำบากยากเย็นนละจะทำให้เราไปไม่ถึงบ้านของเราได้ดังนั้นในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราจึงควรที่จะเตรียมตัวทาเตรียมการต่างๆเพื่อที่เวลาถึงเวลาที่เราจะออกเดินทางเราจะได้ขึ้นเครื่องที่จะพาให้เราไปถึงบ้านของเราไม่ต้องมาติดอยู่ ตามสนามวินต่างๆอย่างที่เรากำลังเป็นอยู่ในขณะนี้เพราะเวลาถึงเวลาออกเดินทางเราก็ไปไม่ได้เราก็เลยต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอเป็นมนุษย์แทนที่เราจะเตรียมตัวเตรียมการกนันไว้เรากลับไม่สนใจเรากลับมาหาความสุขสนานเอหาจากการอยู่ในเรื่นี้ไป ชื่อสักระยะหนึ่งชีวิตของเราจรึงติดอยู่กับการกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะเราไม่เตรียมตัวเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านได้เตรียมตัวกันท่านรู้ว่าถ้าไม่เตรียมตัวเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่พอตายไป ไปเกิดใหม่ก็กลับมาเกิดเกิดแก่เจ็บตายใหม่เป็นอย่างนี้มาไม่รู้นับไม่ถ้วนแล้วท่านจึงหาวิธีที่จะทำให้ท่านไม่ต้องกลับมาเกิดการที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเราก็ต้องเตรียมเครื่องเดินทางต่างๆเช่นเตรียมเงินเตรียมทองเอาไว้เตรียมเตรียม เตรียมตั๋วเครื่องบินเตรียมหนังสือเดินทางอะไรต่างๆที่จาเป็นที่จะต้องมีพอถึงเวลาเราก็ไปเลยไปแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเด็กต่อไปเราต้องทำตามที่พรุทธเจ้าได้สมธรรมการเตรียมตั๋วของพุทธเจ้าก็คือหนึ่งการทำทานทำทานก็คือ สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เราไม่จาเป็นที่จะต้องมีไว้เก็บเอาไว้ส่วนที่เราต้องมีเราก็เก็บเอาไว้ถ้าเรายังอยู่เป็นคารวาสเป็นผู้ครองเรือนอยู่เราก็ต้องมีเงินไว้สำรองสำหรับการดูแลรักษาชีวิตของพวกเรามีเงินไว้สำหรับซื้ออาหาร ซื้ อ, อยารักษาโรคซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีพแต่เราจะไม่อยู่แบบหลงละเลยเราจะอยู่แบบเตรียมตัวไปถ้าเรายังไม่ได้ออกบวชเราก็รักษาศีลอยู่ที่บ้านไปก่อนรักษาศีลแปดหัดปฏิบัติธรรมไปก่อนเกิดนั่งสมาธิทำใจให้สงบ มันฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเพื่อให้เกิดปัญญาแล้วพอเรามีกำลังมากพอเราก็ออกบวชได้เลยถ้าเราออกบวชเงินทองเข้าของต่างๆที่เรามีอยู่เราก็ยกให้คนอื่นไปเพราะมันไม่ได้เป็นการสนับสนุนการเตรียมตัวของเรา ที่เราจะไปสู่บ้านของเราต่อไปถ้าเรามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองติดตัวไปมันก็จะเป็นภาระา พ, ารพรุมพลังแล้วก็จะเป็นเครื่องมือของสัตว์รูที่จะคอยดึงให้พวกเรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็คือกิเลสตัณหาเงินทองนี้มันน่าจะเป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหา กิเลสตัณหาชอบเที่ยวชอบดินชอบรับประทานก็ต้องมีเงินเที่ยวเงินดื่มเงินรับประทานพอเที่ยวแล้วมันก็จะติดติดแล้วมันก็จะกลับมาเที่ยวใหม่ตายไปกี่ภพกี่ชาติพอตายไปแล้วพอกลับมาเกิดก็จะกลับมาเที่ยวต่อเราต้องตัดทางเดินของตัณหาของกิเลส ที่จะคอยดึ่งให้เรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายด้วยการไม่ใช้เงินทองไปตามตามความอยากเช่นไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปเที่ยวไปรับประทานไปดื่มอะไรตา่ตางๆเราต้องยุติการกระทาเหล่านี้วิธีง่ายที่สุดก็คืออย่ามีเงินทองถ้าไม่มีเงินทองก็ไปเที่ยวไม่ได้ไปกินไปดื่มไม่ได้ ก็จะต้องมาปฏิบัติธรรมเพื่อทําใจให้มีความสุบแทนนี่คือการเตรียมตัวของพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้ารู้ว่าพร้อมที่จะไปบวชพออสสระองค์ก็ทรงสละพระราชาสมบัติไปหมดไม่เอาอะไรติดตัวไปเลยลูกก็ไม่เอาไปภรรยาก็ไม่เอาไปพระราชทรัพย์ก็ไม่เอาไปขอเอาตัวเปล่าๆไปพอ จะได้ไปปฏิบัติได้อย่างเต็มที่นั่นเองถ้ามีข้าวของพลุนพลังติดตัวไปก็จะไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างเต็มที่จะต้องมาคอยดูแลทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองดูแลสภรยาดูแลบุตรทธิดาดูแลาสามีดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะเตรียมตัวไปแบบไม่กลับ ก็ต้องทำแบบพระพุทธเจ้าท่านต้นถ้ายังทำไม่ได้ก็ซ้อมทำที่บ้านไปก่อนหัดอยู่แบบนักบวชไปก่อนถือศีลแปดไปก่อ น, อ, น, บบ อ, นอย่าหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาปฏิบัติธรรมฝึกนั่งสมาธิจเจริญสติทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วก็จะเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมว่า ได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เคยได้รับจากการไปเที่ยวไปกินไปดื่มเพราะมันมีน้ำหนักต่างกันระยะเวลาก็ต่างกันความสุขที่เราได้รับจากการไปเที่ยวไปกินไปดื่มนั้นมันเป็นความสุขเดียวๆพอเรากลับมาบ้านความสุขเหล่านั้นก็หายไปหมดเหลือแต่ความอยากที่ยา อยากจะไปเที่ยวต่ออยากจะไปหาความสุขแบบนั้นต่อทําเท่าไหร่มันก็จะไม่ดับความอยากได้ความอยากมันจะมีต่อไปเรื่อยๆและมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยถ้าเราไม่ฝืนมันถ้าเราไม่ตัดมันถ้าเราไม่มีเงินไปเที่ยวเราอยู่บ้านเราก็อยู่บ้านนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมไปพอ ใจสงบเราก็จะมีความสุขยิ่งกว่าการไปเที่ยวข้างนอกบ้านและความสุขนี้ก็จะอยู่นานกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวพอเรามีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้แล้วเราจะไม่อยากออกไปนอกบ้านเราจะเห็นความแตกต่างเลยว่าความสุขนี้เหมือนเหมือนเหมือนฟ้ากับดินความสุขที่เราได้ รับจากการปฏิบัติธรรมนี้เหมือนเหมือนฟ้าส่วนความสุขที่เราได้จากการไปเที่ยวเตยต่ยางๆนี้เหมือนกับดินแล้วนอกจากนั้นมันยังมีความทุกข์ให้กับเราด้วยเพราะมันมีความอยากเวลาเราอยากไปเที่ยวถ้าเราไม่ได้ออกไปเที่ยวเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเราได้ความสุข ที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมจะไม่มีความทุกข์ตามมาเพราะความอยากมันจะน้อยลงไปทุกครั้งที่เราปฏิบัติธรรมทาใจให้สงบเท่ากับเราทําลายความอยากที่จะไปเที่ยวที่อยากจะไปกินไปดื่มพอความอยากเหล่าลีมถูกทําลายลงไปความทุกข์ก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเราได้ปฏิบัติแล้ว เ, เห็นผลแล้ว เราจะมีศรัทธาอยากจะปฏิบัติเต็มที่เลยก็เลยก็จะสามารถออกบวชได้คนที่ออกบวชได้นีส่วนใหญ่เขาต้องทำมาก่อนต้องซ้องมาก่อนต้องอยู่บ้านปฏิบัติไปก่อนเช่นเริ่มต้นที่วันพระวันพระเราก็ไปวัดไปถือศีลแปบบไปฟังเทศฟังธรรมเพื่อที่เราจะได้รู้จักวิธีปฏิบัติธรรม ว่าต้องปฏิบัติอย่างไรพอเรารู้แล้วเราก็กลับมาปฏิบัติที่บ้านหรือถ้ามีเวลาก็นอนพักที่วัดก็ได้หนึ่งคืนแล้วก็ฝึกปฏิบัติธรรมที่วัดนั่งสมาธิเดินจงกรมทําใจให้สงบให้ได้เพราะความสุขอยู่ที่ความสงบของใจใจไม่สงบเพราะใจชอบคิดอยู่เรื่อยๆวิธีที่จะทำให้ใจหยุดคิด ก็ต้องบังคับให้คิดอยู่กับเรื่องเดียวสิ่งเดียวเช่นให้คิดอยู่คำว่าพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆถ้าใจอยู่กับพุทโธไปเรื่อยเดี๋ยวความคิดต่างๆมันก็จะหายไปพอหายไปแล้วใจก็จะสงบสงบแล้วก็มีความสุขจะเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมจะเห็นคุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าในโลกนี้ จะทำให้เรายุติการหาสิ่งต่างๆที่เราเคยคิดว่ามีคุณค่ามีประโยชน์กับเราเช่นการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราจะรู้เลยว่ามันไม่ได้เป็นความสุขแท้มันเป็นความสุขปลอมมันเป็นความทุกข์ที่หุ้มห่อด้วยความสุขบางๆเหมือนกับยาขอมเคลือบน้ำตาลดีๆนี่เอง ถ้ามันเป็นความสุขแท้พวกเราทุกคนจะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาร่าเริงตลอดเวลาหน้าหน้าตาจะไม่เบื่อไม่บู๋ไม่เบี้ยวไม่มีอารมณ์เสียแต่เป็นเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นความสุขแท้นั่นมันเป็นความสุขขณะที่เราได้เสพได้สัมผัสเท่านั้นเองพอผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้เรามีอารมณ์ขุ่นโม่อยากจะเสพอีก พอไม่ได้เสพก็ยิ่งขุนมัวยิ่งบูดเบี้ยวใหญ่ดังนั้นอย่าไปหลงกับความสุขแบบนี้อย่าไปหลงกับความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากทานตาหูจมูกมิ้นกายให้มาหาความสุขที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบเนี่ยการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าก็คือการค้นพบความสุขที่แท้จริงที่จะอยู่ไปกับเราไปตลอด ไม่มีวันพัดพากจากเราไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้รับจากสิ่งต่างๆไม่ช้าก็เร็วเรากับเขาก็จะต้องจากกันไปเขาไม่ไปก่อนเราก็ไปก่อนหรือไม่เช่นนั้นก็ไปพร้อมๆกันก็มีเท่านี้ความสุขทางโลกเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ทำให้เราต้องกลับมาหาใหม่่เรื่อยๆหาเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมหาได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียใจ พราะจะต้องสูญเสียไปเราจึงควรที่จะลองมาหาความสุขแบบของพระพรธเจ้าดูด้วยการมาอยู่วัดกันในวันพระวันพระสมัยนี้บางทีมันไม่ตรงกับวันหยุดของเราเพราะเล้เดี๋ยวนี้เราอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์โลกนี้ต้องหยุดเหมือนกันเพราะติดต่อกันทั่วโลกธ ร, รมธุรกิจติดต่อกัน ถ้าเราไปหยุดวันไม่ตรงกันเราก็จะทำธุรกิจยากเราจะมีวันหยุดสาคุลคือวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็สามารถทำวันเสาร์วันอาทิตย์นี้มาเป็นวันพระแทนได้เพราะวันพระในความหมายก็คือให้เราหยุดทำงานทำการทางโลกนั่นเองให้เราหยุดการหาเงินหาลาภหายุทธ หาสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราให้เราเข้ามาวัดเพื่อมาหาความสุขทางใจความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมดังนั้นเราสามารถที่จะใช้วันเสาร์ อ, อันาทิตย์นี้เป็นวันพระของเราได้โดยที่เราไม่ต้องรอวันพระแบบโบราณวันพระแบบโบราณ น, นี้เขาคิดไปแนวตามวันของ ของดวงจันทร์วันขึ้นแรง8ปดข้ามสบห้าขถ้าเราไม่สามารถที่จะมาวัดในวันขึ้นแรงได้เราก็มาวัดในวันเสาร์วันอาทิตย์ในวันหยุดต่างๆเช่นบางทีช่วงหยุดสงกรานต์นี่เรามีวันหยุดหลายวันเราก็จองที่พักตามวัดต่างๆแล้วเราก็ไปอยู่วัดกันไปนักษาสิงแตกกัน แล้วก็ไปหัดนั่งสมาธิทำใจให้สงบมันฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆจะทำให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วเราจะสามารถควบคุมใจของเรานี้ให้สงบได้การศึกษาการปฏิบัติธรรมนี้ก็คือการอบรมจิตใจของเรานี้จิตใจของเรานี้เปรียบเหมือนกับม้าป่าก่อนที่เราจะเอาม้าป่ามา ใช้งานได้เราต้องปาบมันให้ได้ก่อนมันถ้ามาป่ามันไม่เคยถูกใครส่งเคยสอนมันไม่เคยถูกใครบังคับมันจะไม่ยอมฟังเราเราต้องปาบมันให้ได้เราต้องทรมานมันจับมันมัดไว้อย่าให้มันไปเพ่นพ่านไปทำอะไรตามที่มันต้องการเราบังคับมันอยู่เรื่อยๆต่อไปมันก็จะ ยอมแพ้เราพอมันยอมแพ้เราแล้วมันก็จะทำตามที่เราสั่งสั่งให้มันทำงานมันก็จะทางานสั่งให้มันอยู่เฉยๆมันก็จะอยู่เฉยๆใจของเราก็เป็นเหมือนม้าป่านี่เองเราต้องมาอบรมมาปราบม้าป่าคือใจของเรานี้ให้ได้เครื่องมือที่พระเจ้าทรงมอบให้เราปราบม้าป่าตัวนี้ก็คือสติ สติก็เป็นเหมือนเชือที่เราจะผูกม้าไว้กับต้นไม้ม้ามันจะดิ้นไปอย่างไรมันก็จะดิ้นไปไม่ได้พอมันรู้ว่ามันดิ้นไปไม่ได้มันก็จะหยุดดิ้นมันก็จะยอมแพ้แล้วเวลาใดที่มันไม่พยศเราก็ปล่อยให้มันทำอะไรตามสะดวกสบายได้พอเวลามันพยศขึ้นมาเราก็ต้องจับมันมาผูก ไว้กับต้นไม้ต่อไปทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะรู้ว่าถ้ามันพยศมันก็จะถูกจับมัดเอาไว้ถ้ามันไม่พยศมันก็จะเป็นอิสระใจของเราก็อย่างนี้ใจที่ยังไม่ได้รับการปราบนี้มันจะชอบทำอะไรไปตามอารมณ์ของมันอยากจะคิดอะไรก็คิดอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะพูดอะไรก็พูด โดยที่ไม่คำนึงถึงผลที่จะตามมาส่วนใหญ่การพูดการคิดการกระทาของเรามันมักจะมาสร้างความทุกข์ให้กับเราสร้างปัญหาให้กับเราเราจึงต้องหยุดการคิดการพูดการกระทาที่ทำให้เกิดปัญหาเช่นคิดไปเที่ยวไปเล่นอย่างนี้หรือคิดไปทำบาป ท, ทำกรรมอย่างนี้ เป็นการกระทาที่ไม่เกิดคุณไม่เกิดประโยชน์เราต้องบังคับให้มนมาคิดมาพูดมาทำในสิ่งที่ดีเช่นมาทำบุญมาปฏิบัติธรรมมารักษาศีลนี่เราต้องบังคับเหมือนสิ่งที่จะบังคับมันได้ก็คือสติถ้าเรามีสติอยู่เราจะสามารถควบคุมความคิดต่างๆได้ไม่ให้มันคิดเรื่องอะไรได้ ให้มันคิดอยู่กับพุโทโธอยู่อย่างเดียวจนในที่สุดมันก็ยอมแพ้มันก็จะหยุดคิดพอหยุดคิดเราก็หยุดพุโทโธได้แล้วต่อมาเราก็สามารถสอนให้มันคิดไปในทางที่ดีได้พอจิตสงบแล้วขั้นต่อไปก็สอนให้จิตปล่อยวางเพราะการยึดติดกับสิ่งต่างๆจะทำให้จิตทุกข์ทรมานใจเพราะว่าสิ่งต่างๆที่ไปยึดติดนี้ ไม่ช้าก็เร็วจะต้องมีวันหมดไปไม่ช้าก็เร็วจะต้องมีวันพัดภาคจากกันไปถ้าเราไม่ปล่อยวางเวลาพัดภาคจากกันเราก็จะทุกข์มากเพราะเราจะอยากให้อยู่กับเราต่อไปแต่มันก็ไม่สามารถที่ไปควบคุมบังคับมันได้อะไรที่จะจากเราไปนี้เราห้ามไม่ได้เช่นคนที่เรารัก เวลาเขาตายไปนี้เราห้ามไม่ได้เวลาเขาตายไปแล้วเราจะดึงเขากลับมาก็ไม่ได้ถ้าเรายังมีความยึดติดอยู่กับเขาอยู่ยังอยากจะให้เขาอยู่กับเราอยู่อยากจะให้เขากลับมาอยู่เราก็จะทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนเพราะเราได้ศึกษาจากคำสอนของพระพุทธเจ้า ว่าเราจะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปไม่ช้าก็เร็วเราต้องปล่อยวางเราอย่าไปยึดไปติดถ้าเรารู้ว่ามันต้องเกิดขึ้นและมันเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้ถ้าเรายึดติดเราก็จะทุกข์ถ้าเราไม่ยึดติดเราก็จะไม่ทุกข์สังเกตดูก็ได้สิ่งใดที่เรายึดติดเวลาเขาจากเราไปเรารู้สึกอย่างไรเรารู้สึกเสียใจ แต่สิ่งใดที่เราไม่ยึดติดนี้เวลาเขาจากเราไปเรารู้สึกอย่างไรเราไม่เดือดร้อนมันเป็นสิ่งเดียวกันเพียงแต่ว่าเราไปยึดติดหรือไม่ยึดติดเท่านั้นเองเช่นรถของเรากับรถของชาวบ้านอย่างนี้รถชาวบ้านมันจะพังไปเราเดือดร้อนไหมเราไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ไปยึดติดกับรถของชาวบ้านว่าเป็นของเราแต่รถที่เราซื้อมานี่ที่เราใช้อยู่เป็นประจำนี่ เราไปยึดไปติดว่าเป็นของเราจะต้องอยู่กับเราไปตลอดพอมันไม่อยู่กับเราไปเราก็เสียใจเราก็เศร้าใจทุกข์ใจการพัดพลาดจากกันนี้ไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้เราเสียใจทุกข์ใจแต่การไม่รู้ว่าเราต้องพัดพลาดจากกันนี้เป็นเหตุเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องจากกันเราก็จะคิดว่าเราจะอยู่ด้วยกันไปตลอด แต่พอเวลาเขาจากไปเราก็ไม่เตรียมตัวเราไม่ได้เตรียมตั ว, ตวเตรียมใจเราไม่ได้ปล่อยวางเราก็จะอยากให้เขาอยู่กับเราหรือกลับมาอยู่กับเราพอเขาไม่กลับมาเราก็จะเสียอกเสียใจนี่คือเรื่องของปัญญาที่จะมาช่วยทําให้ใจของเรานี้ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องทุกข์ทรมารกับการสูญเสียของสิ่งต่างๆไป เพราะไม่มีใครในโลกนี้เอาอะไรไปได้ต่อให้เป็นมหาเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านตายไปก็เอาเงินไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวต่อให้เป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นมหาจักรพรรดิเป็นประธานาธิปดีเป็นรัฐมนตรีนายกก็เอาอะไรไปไม่ได้นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องหมั่นสอนใจอยู่เรื่อยๆถ้าเราอยากจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขและ ไม่ต้องมาทุกข์กับการสูญเสียของสิ่งต่างๆไปพวกเราสามารถทำได้ถ้าเราตั้งใจที่จะทำกันถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเ<ม>ชื่อพระทำคำสอนเชื่อพระอริยสงสาวอว่าท่านเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติทำมาแล้วและสามารถปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วท่านสามารถอยู่ อย่างไม่มีความทุกข์ได้ตลอดเวลาพวกเราก็เป็นเหมือนท่านเราก็สามารถที่จะทำเหมือนท่านได้ถ้าเราทำเหมือนท่านได้เราก็จะได้ผลเหมือนกับที่ท่านได้ผลอย่างแน่นอนเพราะนั้นอยู่ที่ศรัทธาว่าเราต้องเชื่อว่าเราทำได้เพราะพระพุทธเจ้าก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนเราท่านก็มีความหลงความรักความยึดความติด อยู่กับสิ่งต่างๆแต่หลังจากที่ท่านเห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในที่สุดก็ต้องมีวันสิ้นสุดลงจะต้องมีวันพัดพากจากกันท่านจึงตัดสินใจปล่อยวางสละทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่แล้วก็ไปปฏิบัติธรรมเพื่อต่อสู้กับความอยากที่ยังไม่หายไปจากใจให้มันหมดไปให้ได้ เพราะถ้ามันไม่หมดเดี๋ยวมันก็จะพาเรากลับมาหาสิ่งต่างๆมาเห็นถึงแม้เราจะสละบวชแล้วแต่มันเพียงแต่สละบางส่วนเท่านั้นเองแต่ความอยากที่ยังอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ยังมีอยู่มาบวชแล้วก็ต้องมากำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปให้ได้ถ้าไม่หมดเดี๋ยวเผลอไปดีไม่ดีก็ลาสิกขากลับไปอยู่บ้านมาเหมน คนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนี้บวชแล้วศึกกันเท่านั้นเพราะไม่ได้บวชมาเพื่อมาตัดความอยากบวชมาเพื่อมาทดแทนบุญคุณให้กับบิดามารดาเท่านั้นเองคือถือว่าถ้าบวชแล้วก็จะช่วยให้บิดามารดาไม่ต้องไปเกิดในอบายเวลาตายไปแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์เกาะชายผ้าเหลืองแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น ความจริงก็คือคนจะไปอบายไม่ไปอบายอยู่ที่ว่าทำบาปหรือไม่ทำบาปไม่ใช่อยู่ที่ว่าลูกได้บวชหรือไม่ได้บวชลูกบวชแต่ตัวเองก็ยังทำบาปอยู่เช่นมีอาชีพค่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่แต่ให้มีลูกกี่คนบวชให้กี่คนถ้ายังไม่ละา ก, การกระทำบาปอยู่ตายไปมันก็ต้องไปอบายอยู่ดี แต่การที่ลูกมาบวชนี้มันเป็นอุบายของนักบากเพราะเวลาลูกมาอยู่วัดพ่อแม่ก็ต้องตามมาเพราะเป็นห่วงลูกพอมาตามมาก็ต้องมาทำบุญมาทำบุญมารักษาสีงนี่แหละเป็นอุบายที่จะทำให้พ่อแม่ได้มาทำบุญได้มาลักบาปกันพอได้ทำบุญได้ลักบาปตายไปก็ไม่ต้องไปอาบายแต่ถ้าลูกบวชแล้ว ตัวเองก็ยังไม่มาทำบุญไม่มาละบาปก็ยังทำบาปเหมือนเดิมอยู่ต่อให้ลูกบวชให้กี่ครั้งกี่หนกี่คนก็ไม่มีวันที่จะปิดประตูาบายได้การจะปิดประตูาบาได้นี้ต้องปิดด้วยการไม่ทำบาปเท่านั้นดังนั้นขอให้พวกเราพยายามมาเตรียมตัวกันเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกเราต้องเดินทางไปถึงบ้านของเราให้ได้ บ้านที่มีความสุขมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมบริบูรณ์ที่ทำให้เราไม่ต้องออกไปนอกบ้านอีกต่อไปด้วยการมาฟังเทศฟังธรรมด้วยการมาปฏิบัติธรรมด้วยการมารักษาศีลด้วยการมาทำทานตามกําลังของเราไปก่อนแล้วทำให้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนทำให้ได้ครบร้อยเปอร์เซ็น์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 จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค็งแกล่งปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ